ปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดของความกลุ่มกลุ่มใจมากปัญหาก็ใหญ่มากกลุ่มใจน้อยปัญหาก็เล็กน้อยไม่กลุ่มใจเลยปัญหาก็ไม่มีเลยนั่นแปลว่าถ้าคุณลดระดับความกลุ่มใจได้ก็ลดระดับปัญหาได้และเมื่อปัญหาเล็กลง มุมมองวิธีแก้ปัญหาก็จะกว้างขึ้นอย่างน้อยคุณจะไม่อยากหนีปัญหาํำนองเดียวกับที่ไม่เกี่ยงกับการทำความสะอาดที่ผงวิธีจัดการกับความกลุ่มใจง่ายกว่าจัดการกับปัญหาภายนอกมากแค่เริ่มจากการยอมรับว่าทุกความกลุ่มใจมีความอึดอัดในอกและความครับข้องในหัวเหมือนถูกขันเกลียวแน่นอยู่ข้างใน เมื่อสังเกตเห็นอาการขันเกลียวแน่นที่ลมหายใจใดคุณจะพบว่าลมหายใจต่อมามีการคลายเกลียวออกเองนิดหนึ่งแต่เผลอเมื่อใดเกลียวก็กลับมาขันแน่นขึ้นอีกสังเกตไปสังเกตมาจิตจะได้ข้อสรุปว่ามีสติรู้ความคับแน่นทางกายเมื่อใดจะเกิดความผ่อนคลายลงเมื่อนั้นแต่หากมือลอยไปเมื่อใด ความคับแน่นก็กลับมาเยือนอีกเมื่อนั้นเมื่อฉลาดทางจิตจนไปถึงข้อสรุปนั้นจริงๆใจคุณจะโล่งอย่างประหลาดและปัญหาตรงหน้าจะดูเล็กลงถนัดคุณมีสิทธิ์จำไปชั่วชีวิตว่าถ้าเริ่มจัดการความกลุ่มใจก่อนแล้วค่อยมองปัญหาภายนอกที่หลังคุณจะเห็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดหรือต่อให้แก้ปัญหาไม่ได้เลย คุณก็จะไม่เพิ่มปัญหาทางใจให้ตัวเองเหมือนเคยแล้ว